เมื่อเวลาของเรามันมีเจตนาของเรามันมีความมุ่งหมายก็ว่ามาประพฤติธรรมหรือมาปฏิบัติธรรมในทีนี้คำว่ามาปฏิบัติธรรมนั้นเอาทมยังไงมาปฏิบัติกัน ท่านที่ปฏิบัติอยู่เป็นธรรมประเภทไหนคุณนันท่าไม่เข้าใจจุดนี้แล้วมันจะไม่ได้เรื่องและไม่เข้าใจ คำว่าธรรมที่มาประพฤติกันธรรมที่มาปฏิบัติกันนั่นนะควมจริงแล้วควรจะเข้าใจถูกต้องว่าสิ่งนั้นมันเป็นธรรมที่ควรประพฤต์ควรปฏิบัติแล้วเข้าสู่สถานที่ เราก็พะพึ่งปฏิบัติตามธรรมที่เราเข้าใจนั้นแต่ที่นี่ไอ้ธรรมที่เราเข้าใจอยู่นั้นเป็นธรรมประเภทไหนตรงนี้มันเป็นปัญหาถ้า ถ้ามารู้ตัวว่าทมที่ควรประพฤติควรปฏิบัตินั่นเรายังเป็นผู้เข้าใจน้อยหรือยินหรือยังไม่เข้าใจอันนี้ก็จะค่อยอยังชั่วหน่อยมันจะได้ฟัง ทำประเภทที่เราที่ควรประพฤติเราที่ควรปฏิบัตินั้นถ้าเราไม่เข้าใจและให้เข้าใจอีกอย่างหนึ่งว่ารรมที่ควรประพฤติทำที่ควรปฏิบัตินั้นเป็นธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้า ธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นนะถ้าว่าเป็นภาษาเราตรงๆกับเป็นธรรมะแก จ, จิเลสไม่ใช่ธรรมะบำรุงจิเลศธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องแก จ, จิเลศถ้าจะรูปเปียกเหมือนกับเจ้าน่ะที่มันเป็น ข้าจะเป็นประปักษ์กันกับเจ้าพวกโจรผู้ร้ายโจรผู้ร้ายไม่ชอบหรอกไม่ชอบไม่ชอบเอเจ้าหน้าที่เราดังจิเลศทั้งหลายไม่ชอบเรื่องความเป็นธรรมความถูกต้องพอาะผู้ทำมาปฏิบัติจริงๆผูดเกลีก้กระทุ่งจิเลศขย่าจิเลศกระเทือนจิเลศกระเทือนจนกิเลศมันหมอบจิเลยมัน หนีจิเลตมันเบาบางจากจิตจากใจจนหมดไปหายไปจากจิตจากใจด้วยวิธีการตัวเองนําไปประพฤติปฏิบัติดังนั้นธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่พูดกระภาคปฏิบัตินั้นพูดเข้าใส่เรื่องกิเลตกระทงกิเลตกระทบกิเล ส, เล ส, เลสมากทีเดียวแหละ จิเลสในหน้าบูดหน้างอกเลย่ะธรทำมาทางภาคปฏิบัติไม่ไ ม, มรรมมไม่เข้ากันว่าการทำมาปฏิบัติทางจิเลสทั้งหลายเหมือนกับเจ้าวยที่ก็จรวัต็กัจรวดตไอ้นักตรวจใจก็ปกครวงผู้้ายไม่เข้ากัน ดังนั้นที่เรามาแต่และท่านแต่และคนมีกิเลสมาด้วยกันดังนั้นมีตัณหามาด้วยกันดังนั้นถ้าส่วนไหนที่เป็นธรรมะประเภทเสริมกิเลสพูดไปแล้วแม้ชอบ อ, อกชอบใจยกอย่างนั้นโยออย่างนี้ชอบ อ, อกชอบใจในประเภทบำรุงกิเลสมันไม่มีในาพาวติบัติพูดอะไบุตรบอกแล้วกิเลสที่ท่านส่งแล้ว ปฏิบัติเพระพาะผาปฏิบัติธรรมะปฏิบัตินั้นกระทุ้งจิเลตแจ่ความคิดแจ่ความเห็นที่มันเป็นฝ่ายกิเล่ฉะนั้นเรามาปฏิบัตินี้เราก็ปฏิบัติทำฝ่ายไหนถ้าปฏิบัติทำเป็นเพื่อ ธรรมที่เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าออทรงโปรดด้วยความเมตตาสงสารว่าประพฤติปฏิบัติธรรมในแนวทางเป็นไปเพื่อแก้ไขกิเลสตัณหาให้เบาบางไปหมดไปจะเสื่อไปจากจิต จ, จากใจนั่นเป็นธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นไปเพื่อความสงบสุขของจิตของใจโดยแท้ ว่าง่ายกับฟังเทศคือคำฟังคำออกคำสอนนั่นเียวก็พอความเข้าใจมันผิดความคิดมันผิดทำไมจึงผิดกับพ่อความหลงกิเลสมันพาให้ผิดพาให้หลงพาให้ไม่เข้าใจเรฟังเพื่อแจ้แต่เมื่อเพื่อแจ้มันก็กระทบกันนั่นแหละกระทบกิเลสทำมาพูดเพื่อสอน พูดเพื่อให้เข้าใจพูดเพื่อแจ้ทั้งภาคปฏิบัติรู้ว่าอันไหนมันผิดจะพูดให้รู้ให้เกิดความสำนึกตัวใหแก้ไขในสิ่งนั้นนั่นธรรมะปฏิบัติทันไม่ใชอธิบายตามหลักธรรมถ้าอธิบายตามหลักธรรมแล้ว วันนี้ยกข้อทำนั่นขึ้นมาอธิบายไปตามหลักธรรมนั่นวันหน้ายกคอทำมันนั่นขึ้นอธิบายไปตามหลักธรรมนั่นวันต่อไปยกหัวข้อทำประเภทหนึ่งอธิบายตามหลักธรรมนั่นนั่นอธิบายตามหัวข้อธรรมหลักธรรมะซึ่งมันใกล้เข้าใกล้หาเรื่องกิเลสไม่ไม่ไม่เข้าหาเรื่องกิเลสไม่เข้าไม่เข้าใกล้เรื่องกิเลส ถ้าภาคปฏิบัติจีแล็ปมอยู่ตรงไหนก็เหมือนโจรผู้ลายกับตำรวจตำรวจมันปราบโจรผู้ลายโจรผู้ลายจะหลบอยู่ตรงไหนเขาเข้าหาตรงนั้นมกลัวจะเข้าใจกลัวจะพิปงใจเชื่อ ยอมละทิฐิมานะยอมละเจตันหาที่มันหมักหมม ท, ท่วม ท, ท, ทับหัวใจจนจะหาความว่างจากกิเจตันหาไม่มียอมรับทำประเภทที่มันเป็นเครื่องอฝ่ายแจ้จิเลตนั้นไม่ใช่ของง่าย กิเลสมันออกต่อต้านกิเลสมันออกต่อต้านถ้าไม่รู้ว่าแล้วไปอยู่ที่ไหนก็เถอะกับกิเลสเรื่องเก่าถ้าไปฟังธรรมะเพื่อเจอกิเลสแล้วธรรมะทั้งหลายที่ท่านพูดไปนัน้นกระทุ้งแต่กิเลสเรื่องนั้นกระทบเแต่กิเลสเรืงนั้น นี่เราไม่ใช่ว่าเราแบบกิเลสมาสู้ธรรมะเราหอบกิเลสมาสู้ธรรมะเราหอบกิเลสมาสู้ธรรมะแบบกิเลสมาสู้ธรรมะมีประโยชน์อะไรเรามาศึกษาธรรมเพื่อเข้าใจเพื่อแก้กิเลสมันจึงถูกถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้ เลกิเลดนี่มันจะส่งเสริมความคิดความเห็นความผิดของตนทุกคนนี้นี่ทั้งภาคปฏิบัติคำว่า ม, มาศึกษาธรรมเพื่อปฏิบัติเป็นธรรมประเทศไหนที่เราศึกษาที่เรามาปฏิบัติธรรมเราปฏิบัติธรรมประเทศไหน จึงเป็นปัญหาถามเบื้องแรก <c oughs> ถ้าเป็นทาฝ่ายกิเลสส่งเสริมกิเลสมันถูกต้องเราหมพระพุทธเจ้าสรรเสริญแล้วหรือที่ว่ามี่กิเลสมากๆมันเป็นของดีฉะนั้น <c oughs> ถ้าเพื่อจะฟังเพื่อเป็นข้อปฏิบัติตามแนวทางของหลักธรรมแล้ว วันนี้จะให้ข้อเช็ดในลักษณะ <c oughs> ชีวิตความเป็นอยู่ของเราชีวิตความเป็นอยู่ของเราควรจะอยู่ด้วยความถูกต้องหรือควรจะอยู่ด้วยความเป็นชีวิตความเป็นอยู่อยู่ด้วยความเป็นอยู่ด้วยความถูกต้อง ถ้าอยู่เป็นแล้วมันจะบายถ้าอยู่ด้วยความถูกต้องแล้วมันก็สบายทำไมจึงพูดลักษณะนี้ขึ้นมาคำว่าอยู่ด้วยความเป็นมันในศีลเป็นในธรรมชีวิตความเป็นอยู่นั่นนะ ว่าถูกต้องก็อยู่ถูกลักษณะของสินของธรรมถ้าอยู่ถูกต้องอยู่เป็นแล้วก็มันมีความสุขมันมีความสบายดันั้นในที่เราจะเข้าใจว่าเราอยู่เพิดแล้วอยู่ถูกนี่นาความเป็นอยู่ของเราอยู่เป็นแล้วอยู่เพิดนี่นา มันสำคัญตรงนี้ให้เส้งเกสียสำนักปฏิบัติท่าน <c oughs> พูดถึงว่าข้างพุทธกาลมีพระเจ้าประสงมากจนนับเป็นร้อยร้อยพันพัน <c oughs> เข้าไปถึงสถานที่เป็นในสำนักของท่านอยู่ เหมือนก็ไม่มีพระขั้งคุธการทั้งเดือพมีเป็นร้อยพันๆเลยเนี่ยเขาไปเหมือนก็ไม่มีพระทําไม่เป็นเงนินตามกระดาคนมากมายขนาดนั้นนะ่ะถ้าไม่มองเห็นตัวก็ต้องยินเสียง ดูพวกเรากัแล้วกันชีวิตความเป็นอยู่ของคลบวาทญาติโยมเน่นนะ <c oughs> ถ้ามีสองคนก็ดิงเสียงสองคนอนะ่ะมันต่างกันแนละ้วถ้าสามคนก็ยิงเสียงสามคนนะ่ะยิ่งมีมากคนก็มีเสียงมากคนคุณไปนี่สำหรับความเป็นอยู่ ของคาลวสแบบมีมากเรื่องที่นี่สันนักประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมท่านหมายถึงทั้งพระทั้งวัดมีน้อยมีมากขนาดไหนเหมือนไม่มีเป็นไงเป็นางนันแต่สังเกตดูไม่ว่า จำนักกูบาอาจารย์ที่ท่นมีชื่อมีเสียงปฏิบัติโด่งดังนั่นแหละเพอเฮพอท่านั้นไปมุงบนนั้นปฏิบัติประเภทนั้นนนแล้วมาเรียนว่าปฏิบัติละนั่นนะคําว่าปฏิบัติที่นี้เรามั่นใจในปฏิปทากูบาอาจารย์ที่เราได้ศึกษามาแต่และจำนักแต่แล้ะจำนักที่ท่าน เน้นหนักภาคปฏิบัติแล้วท่านจะไม่ให้มีเสียงท่านจะไม่ให้มีการพุกพานพุกพานหมายถึงว่ามองเห็นเสียงถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ได้มีทำไมจำเป็นอย่างนั้น ลองเทียบอยู่ที่ไห น, นก็เพราะชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ปฏิบัติเครื่อความสงบนั่นทุกคนมันต้องมีปากกับทุกคนกมีแขงมีขาแต่ทาไมท่านไม่พุกพานเพนพันก็อยู่นั่นหรือว่าไม่พูดไม่คุยกันก็เพราะลักษณะนั้นไม่ใช่ธรรมมันเป็นฝ่ายกิเลส น, นั่นท่านจะไม่สแสดงก็ฟังแต่ว่าสงบเป็นไร สำหรับที่เราจะมองเห็นว่าการมีสังพูดคุยกันนะั้นมันเสียตรงไหนมาผิดตรงไหนใช่มันก็ไม่ได้ไปดูใครด่าใครไม่ไปร้องลำทำเพลงเวลาแต่ีนนี่มันผิดตรงไหนมันผิดของหลัก ร, รมคือสมาธิธรรมู่มันผิดตรงนี้ สมาธิทาท่านมุ่งความสงบกับฟังเด์สงบเป็นไรคือไม่มีเสียงไม่มีเรื่องมีการมีงานการสัมมาครมมันโตมการงานอันชอบจิจจวัดเถือนจิตที่ควรจะต้องทำต้องเรียบทำารีบเสร็จธุระชี่จะต้องพูดพูดในเหตุในผล พวดเข้าใจกันแล้วแตแล้วไปสัมมากระวายจในทนี้ในลักษณะอย่างนี้บรรดาบนรักปฏิบัติท่านนะท่านเชียมวดกวัขันเน้นหนักกัางภาคจิตบาท แล้วศรัทธาญาติโยมซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวเรื่องเกี่ยวข้องกันจะรับเข้ามาเรือ่องไม่รู้จากเรื่องก็มาทําลายพวามสงบ ข, ของท่นไม่รับหรือก็ว่าท่านลังเกียดเนี่ยเจ้าเงยอางนี้ดังนั้นถึงจะยังไงถึงจะบวชแล้วก็ตามมันก็มาจากญาติโยมนั่นแหละ เลือใครยังไม่จะบวชก็ตามมันก็มีความเห็นผิดด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่เมื่อความเห็นผิดนั่นเข้ามาศึกษาแล้วเพื่อรู้เมื่อรู้แล้วว่าคือแนวทางนี้เป็นทางปฏิบัติชีวิต ค, ความเป็นอยู่ที่อยู่ด้วยความถูกอยู่ด้วยความเป็นก็มาทากันอันนี้ ไม่มีปัญหาอันเนี้ยน้อยก็ไม่มีปัญหามากก็ไปดีปัญหาฉะนั้นกลัวจะเข้าใจแต่และเรื่องแต่และเรื่องอแต่และเรื่องนี้ไม่ใช่ของง่ายถ้าเราแบกกิเลสตัณหามาฟังแล้วกระย่างวานแล้วขาดทั้งนั้น เรื่องทำปฏิบันี้มันท่านเพื่อแก้กิเลสกระทบกิเลสบังคับกิเลสขับไล่กิเล <c oughs> มสมาถึงมีความละลายเพื่อเข้าใจในธรรมเพื่อไหน <c oughs> ถ้าเรามีความมั่นใจว่าทำที่ควรประพฤติทำที่ควรปฏิบัตินั้นควรจะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้ น, น, นเมื่อได้ฟังแล้วแล้วก็ ออยอํารับในเหตุผลว่าเอออย่างนี้มันควรที่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็แก้ไขตัวเองไปได้รพรเพื่อปฏิบัติในทางที่ถูกมันก็โผล่พอเพื่อปฏิบัติในทางที่ดีมันก็นดีเพราะมันดีมันถผลเป็นสุปฏิปันโนปฏิบัติดีผู้สุปฏิปันโนปฏิบัติตรง เราถ้ารื้อเผื่อและสังเกตก็จะสังเกตว่าพระเนร <c oughs> มีน้อยมีมากเสียงพูดกันเสียงหัวเราะก็เลยแคหานนั่นถ้ามีลักษณะนี้อยู่ที่ไหนวัดไหนถึงจะเอาป้ายโฆษณาประกาศว่าสถทนที่ปฏิบัติมันก็มีต่ตัวหนังสือ แต่กิริยามาน a า a ของพรามเนี่ยิ่งกว่าวงเล่าปฏิบัติอะไรที่ไหนปฏิบัติอะไรกิริยามร aya มันยิ่งกว่าวงเล่าฉะนั้นเพื่อความถูกต้องเพื่อความสบายใจทั้งท่านทั้งเรา เราควรจะสำนึกตัวว่าเออเรามาศึกษาในทำปฏิบัติพอความเข้าใจของเราขนาดนี้ทำที่มีใ น, นจิตในใจของเราขนาดนี้มันเป็นผลเกิดขึ้นทำให้เราไม่มีความพอใจในความเป็นอยู่ของเราอยู่พอบางครั้งบางคราวก็เออเนี่ยมันยังไม่มีความสงบสุขบางครั้งบางคราวก็มี ความสุขความสบายพอประมาณบางครั้งบางค้าวก็มีความทุกข์ความทรมานมีปัญหาด้านจิตใจน้อยมากตามเตีตุตามการเป็นสิ่งที่ควรจะนึกถึงทรมากปฏิบัติให้มากขึ้นกว่านี้มีความสำนึกตัวอย่างนี้ค่อยเข้าศึกษาไปที่ไหนศึกษาที่ไหนในทางภาคปฏิบัติอันนี้ไม่มีปัญหา เราไมาจิเลตฟังธรรมเรามาจะหามจิเลตไปฟังธรรมถ้าฟังธรรมเพื่อแก้จิเลตมันกระทุกงจิเลตกระทบจิเลตเพราะท่านสอนเพื่อแก้จิเลตแก้ความคิดความเห็นท่านชีวิตความเป็นอยู่ถ่าเพื่อ หวังความถูกต้องตามที่ว่าสุปฏิปันโนอุสุปฏิปันโนตามสังกัปุนนิาสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรง g ยายาปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์จากโทษสามิจิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติชอบเราควรจะเน้นหนัก ในการฟังเพื่อเหตุเพื่อผลแล้วก็ดูตัวอย่างสำนักที่เราเข้าอยู่ที่เราเข้าศึกษาดูท่านดูเราท่านทำยังไงมาวัดตรงไหนมาวัดศีลมาวัดสมาธิมาวัดเรื่องปัญญาศีลก็คือความเดียบร้อย มลายด์เรียบร้อยวัดเดิมสมาธิสมาธิาธ ก, กิจวิยาวรสงบกายสงบว า, จาบใจสงบใจสงบมันยังไม่สงบมันยังไม่เรียบร้อยเราก็มาประพฤติตัวของเราเพื่อความถูกต้องให้มันเรียบร้อย กิริยามรญาติมันเรียบร้อยจิตใจยังไม่สงบมันมันสงบความสงบมันถูกความเรียบร้อยมันถูกเมื่อมันถูกเราความสํำนึกการกระทําทางด้านจิตใจของเราที่มันชี้การกระทําทางกายทางบาจางเราเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความติดความูก แล้วต้องศึกษาเราได้ยินได้ฟังแล้วต้องโอปนัยโกน้อมมาดูเราที่ว่ามันผิดมันผิดตรงไหนที่ว่าผูกมันถูกตรงไหนถ้าเราอยู่ในความสงบวาจาก็จะงบไม่จำเป็นที่จะหาเรื่องพูดเรื่องคุย พอเสียงน้มันไปกระทบพูเป็นโยกมภาวนาอยู่เรื่องพูเรื่องควยมาจากไหนมาจากอารมณ์อารมณ์อารมณ์ักภาษาเราหรือเบ้าอารมณ์ดีดีนี่แหละเคียดมากๆกกับบ้าภาษาดีๆนี่แหละฟุ้งซ่านมากเคียดมากไม่จะเป็นอะไรไป ทั้งนี้ทั้งนั้นนั่นในตัวการกิเลสตัณหาที่มันพิษร้ายแรงของกิเลสตัณหาฉะนั้นโบราณท่านจึงว่าอือพวกนี้อยู่ไม่มีความสงบสุขอยู่ไม่เป็นสุขคำพูดคำ บอกคนเท่าคนแจ่โบ ร, ราณโบราณคำพูดคำนี้มีเหตุมีผลอีมันอยู่ไม่เป็นสุขเนี่ยแสดงว่าเ อ, อดูจิตรยาแล้วอยู่ไม่เป็นมันยุกจุกนิกงิกเกานั่นเกาหนี่เหมือนิ้มเหมือนอะไรนี่รู้นั่นแล้วอยู่อยู่ไม่เป็นสุขไม่อยู่ไม่เป็นอยู่ไม่เป็นสุข ถ้าล um ักษณะที hmm. um land, so ่อย so evet. like ู่เป็นม yes, ันก like like ็ต้องมีศีลมีสมาธิเป็นเครื่องวัดมันยังไม่เป็นนี่เรามาฝึกมันยังไม่สงบนี่เรามันยังไม่เรียบร้อยนี่เรามาฝึกมาฝึกให้มันสงบมาฝึกทำให้เรียบร้อยฝึกมันเป็นแล้วมันก็เห็นคุณค่าของความเรียบร้อยกายเรียบร้อยบาจาเรียบร้อยใจเรียบร้อยมันจะมีคุณค่าเกิดขึ้นมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มีความดีจาก ความเรียบร้อยเกิดขึ้นมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นมันใจเห็นเพราะอันนี้เป็นลักษณะของศีลของธรรมถ้าลักษณะของกิเลสมันจะงดจิตนี่ยปุ่งสาดลาคานจะมัวมองกลุ่มอกกุใแจลาคาญในจิตในใจงดจิตในจิตในใจเนี่นมันฝ่ายกิเลสทําไมมันเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นแหละเพราะอาหารเลี้ยงกิเลสมัน รูปดีๆไม่มีเรื่องกิเลสเสียงดีๆไม่มีเรื่องกิเลสบลิ่นดีๆไม่มีเรื่องกิเลสมันก็งุดงเหยียดนะทีเรื่องเจ้ากิเลสทั้งหลายความโลภ ค, ความโกรธความร้องอารมณ์เรื่องกิเลสทั้งหลายมันก็งุดเหยียดความอาหารกะเดี้ยมันไม่มี ที่นี่ถ้ามีความสำนึกตัวเรามาเลี้ยงกิเลสมาบูรุณกิเลสเรื่องเรามาประพฤติทำถ้าเรามาฟังธรรมเพื่อเข้าใจในธรรมเป็นเครื่องประพฤติแล้วควรจะรู้เรื่องกิเลสธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าสอนที่เป็นสวัสาดาิธรรมหรือเป็นนิยานริยธรรมนั้นล้วนแล้วจะเป็นธรรมแก้กิเลสทั้งนั้น ดันั้นจะมาฟังด้วยความชอบใจโดยไม่มีเหตุผลนั้นมันจึงเป็นไปได้ไม่ได้ถ้าฟังด้วยความชอบชอบใจในเหตุในผลมีเหตุมีผลเป็นเครื่องวัดอันนั้นจึงเป็นธรรมถ้าฟังด้วยความจึงความฟังแล้วเกิดความชอบใจโดยไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีเหตุผลทางธรรมเป็นเครื่องรองรับ นั่นมันเป็นกิเล่เหมือนชาวโลกเขาใช้กันอยู่เนี่ย น, นะชาวโลกเขาใช้กันอยู่สิว่ากําลังใจแท้ที่จริงมันก็พูดยกพูดยอพูดสนเสริญกิเล่ยกย่อจิเล่ถ้าผิดใจจิเล่มันก็หน้าบูดหน้าเบี้ยวเขา้าเหมือนเด็กนี่นั่นแหละ เลียกว่าโตไม่เป็นพูดเอาใจอยู่เรื่อยก็พูดให้มันถูกกิเลตในหัวใจนั่นแหละเราขอพูดเอาใจพูดให้มีกำลังใจก็เหมือนเราพูดกับเด็กกระลูกหลานนั่นแหละไม่มีใครเราเกี่ยวยากจะมาอยู่แบบอดๆ อ, อยากอยากมาอยู่ไกลพ่อไกลแม่ไกลบ้านไกลเมืองไกลบูกไกลคนนึง เรื่องกิเลสทั้งหลายไมนมีใครกิเลสตัวไหนมันจะไปชอบมาอยู่อย่างนี้หรอกออออแต่ทีนี่ถึงจะชอบไม่ชอบท่านก็สอนว่าอันนั้นมันเป็นฝ่ายกิเลสเรื่องกิเลสเรามาศึกษาเพื่อประพฤติธรรมให้เข้าใจในธรรมเมื่อเข้าใจรู้ในแนวทางของธรรมอย่างนี้แล้ว ถึงกิเลตมันไม่ชอบท่านในปราบปราบความรู้สึกอันนั้นขึ้นว่าท่านสอนนห้อยู่ในความสงบมัลยาด้วยความสง บ, สงบอริยบทด้วยความสงบอย่างนี้แจกิเลตไม่ชอบมันไม่ชอบแก้ ไ, ไขในขณะนั้นปราบความรู้สึกของของเรามันทันเหตุการณ์ทันกิเลตในขณะนั้นคือสร้างความพอใจอยู่ด้วยความพอใจ ปรับความพอใจสร้างความพอใจขึ้นอย่างนี้มันดีอย่างนี้มันถูกกิเลสมันไม่ชอบเราต้องปรับความพอใจสร้างความพอใจขึ้นสร้างขึ้นมาทาไมก็มาแก้ไขเรื่องคิดถิมาหน้ากิเลสตัญหาตอบ อยู่คนเดียวเราไม่พูดกับใครคุยกับใครจินสงบเย็ไม่ชอบเพราะท่านสอนอย่างนี้มันเปื่ยงดีของดีแล้วก็อยู่คนเดียวอยู่มันอยา ก, ม, ยากมันอยากจะพูดมันอยากจะพูดแล้วก็ไม่พูดมันยังทนไม่ไหวถึงกับอมน้ำกับอมดีมันก็ห้ามเพื่อนมันอยากจะคุยมันอยากจะพูดห้ามไม่ฟัง อบน้ำ้าไปอยู่ที่มันจะยากขนาดไหนเรื่องกิเลสถ้าทำถึงมันแล้วมันเหนือมันแล้วูู่่โยงนั่นแหละร้องเรือทางถ้าไม่เชื่อถ้าเอ า, จาเจผลป่าเปลวจะมันยังพูดได้ลบอบน้ำกบไม้นั่น มันถึงขนาดนั่นเฉยๆหนาหนาขนาดนั้นเฉยๆวิธีแจ้มันถึงมันอยู่ถ้าที่จะแก้ถ้าจะประพฤติถ้าจะทําถ้าเราฝึกในลักษณะความพอใจความสงบแล้วก็ทําความสงบอยู่ในอริยบทนั่นนั้นด้วยความพอใจ ความพอใจเครื่องอยู่ความความพอใจเป็นเครื่องอยู่อยู่ในความสำนึกที่จิตใจมีสินมีธรรมสินคือความเรียบร้อยทางจิตทางใจเบากายเบาใจกายและอุตากายเบาจิตตาและอุตาจิตเบาเมื่อมันยังไม่เบาก็ทำความเบาให้เกิดขึ้นเพราะเรานึกเราสร้างเรานึกเราแต่ง ความเบากายเบาใจนะั่นมันเป็นลักษณะของศีลของธรรมความหนักนว่วงง่วงเหงาเป็นเรื่องกิเลสตัณหาที่มันยังไม่เกิดยังไม่เป็นนะั่นแหะจึงมาฝึกที่เรายังไม่เข้าใจอย่างนี้นั่นะจึงไม่ได้มาได้ยินได้ฟังเมื่อได้ยินได้ฟังก็ต้องการเพื่อแก้เพื่อไขลดละกิเลสให้เบาบางก็ฝึกแล้วทำ เรามาเพื่อศึกษาเรามาเพื่อทำเรามาเพื่อปฏิบัติทําไมจึงปฏิบัติทําไมจึงทำก็เพราะความถูกต้องในทางธรรมนี่มันยังมีน้อยถ้ามันมีมากกว่านี้มันจะได้เห็นความถูกความเจริญเห็นความถูกความสบายมากขึ้นจากว่านี้จึงจะได้จ่วเป็นผู้มาฝึกเป็นผู้มาฝึกมาปฏิบัติมาแจ้ไข มาเพิ่มเติมเสริมความดีที่พวกเรามีอยู่ไม่ใช่ว่าจะมาเสริมกิเลสมาบำรุงกิเลสม่เสริมมันทำไมกิเลสบำรุงมันทำไมกิเลสไปหวงมันทำไมอะไรไปแตะต้องก็ไม่ได้หวงไว้อยู่นั่นหวงว่ามีประโยชน์อะไร เรียนว่าตายเกิดอยู่ที่พบน้อยพบใหญ่ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายมีน้ำซ้าเป็นสัตว์เยอะสานเป็นเปรดเป็นผีในโลกวิจิก็เพราะจิเลสทหารนั้นจะไม่วงไวทไ้ทําไมธรรมะข้อปฏิบัติเข้าไปกระทุง้งน้อยก็กลัวจะจิเลสมันจะ หมดกลัวใจกจิเลสไปนจะออกจกความรู้สึกทางจิีชทางใจมีประโยชน์อะไรความรู้สึกนั้นนะถ้าเป็นของดิบของดีคัพนพระเจาห่วงฉันนกปลาท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านฉันเลเินผู้ประพฤติทมปฏิบัติธรร ม, ร ท, รรมท่านม่ได้ฉันเลเินผู้ส่งเสริมกิเลสท่นหา เราเป็นบุคคลประเภทไหนเป็นพระเนรประเภทไหนเป็นอุบาสกอุบาสิกาประเภทไหนเราเป็นพระเนรประเภทมาหวงแหนกิเลสตัณหาเป็นอุบาสกอุบาสิกามาหวงแหนกิเลสตัณหามันเข้ากันได้หรือกระทรมาพ่อปฏิบัตินักลาด ทันผู้รู้ทั้งหลายท่านจะละเสริญแล้วยนี่ความถูกต้องอยู่กับความชิดความถูกต้องในชีวิตความเป็นอยู่เราควรจะใชชีวิตอยู่ด้วยความถูกความต้องความถูกความดีเราฝึกเพื่อความสงบเราฝึกเพื่อความสบายอกสบายใจ ถ้ากิเลสตัณหามันจะสงบออกจากจิตจากใจแล้วจิตใจเนี่ยมันจะมีความสงบสุขใจิตใจนี่จะมีความเบาความสบายเพราะมันมันมันไม่มีอะไรจะไปมาเป็นเครื่องถุกขมันไม่มีจะมาเป็นเครื่องทำให้จิตใจวุ่นวายเรื่องวุ่นวายเป็นทุกข์ก็มีแต่กิเลสทั้งนั้นตัณหาทั้งนั้น ฉะนั้นการปล่อยวางเรื่องกิเลสปัญหาเพื่ อ, อยังศีลสมาธิปัญญาให้ปรากฏขึ้นกับจิตใจนี่เนะี่ยไม่ใช่ของง่ายนะเรื่องกิเลสปัญหาไม่ใช่ของง่ายที่จะยอมรับฟังง่ายหรือจะยอมละออกจากจิตใจของเราไดนะ้ง่ายเรื่องกิเลสตัญหานะตัวเองก็ยังไม่รู้ตัวเองไม่รู้จักวิธีเลือก ฉะนั้นจึงมาอาศัยผรูอาศัยอาจารย์เพื่อแนะเพื่อชี้บอกว่าเรื่องทำเป็นยังไงเรื่องกิเลสเป็นยังไงแล้วเราจะได้ปฏิบัติเพื่อแก้ในสิ่งที่มันเป็นพิษเป็นภัยเรื่องกิเลสปัญหาทั้งหลายเราจะได้ปฏิบัติออมันเป็นทางลิงทางทำให้เกิดเป็นประโยชน์ขึ้น สร้างคุณค่าสร้างคุณภาพทางจิตใจของเราให้มีความสงอบสุขขึ้นมาด้วยการเวลาที่พวกเรามีก็เพื่อปฏิบัติอยู่ให้เป็นประโยชน์มีเวลาน้อยก็ังเป็นได้ประโยชน์น้อยมีร่ามากได้ประโยชน์มากเพราะการปฏิบัติทำปฏิบัติทำทักโขกแต่ทำโขกแล้วมันก็เพิ่มปริมาณขึ้นใช่หรืทํามหยุดไม่หยอ่หยอนเราควรจะเพิ่มบน ท, ทางทางที่โขก ทางศีลทางสมาธิทางสติทางปัญญาอันนี้เป็นส่วนเพิ่มปริมาณขึ้นที่จะถูกกา น, นชีวิตความเป็นอยู่อยู่ด้วยความถูกอยู่ด้วยความเป็นถ้ามันถูกมันเป็นในลักษณะของศีลของสมาธิของสติของปัญญา ซึ่งเป็นแนวทางหลักธรรมสอนของพระพุทธเจา้าอยู่ด้วยความเบากายเบาใจเป็นลักษณะของศีลของธรรมอยู่ด้วยความพอใจสร้างความพอใจพอใจในความสงบเรารักษาความสงบเดินยงกรมนั่งสมาธิภาวนายอยู่ในอารียาบทของใครของเร า, านั่งเหนื่อยก็เดินเดินเหนื่อยแล้วก็ยืน เรายืนเหนื่อยแล้วก็เดินเดินเหนื่อยแล้วก็นั่งอริยบทนั่นเราเปลี่ยนเพื่อผ่อนคลายทุกขเวทนาของธาตุของขันต์ส่วนความรู้สึกภายในจิตใจนั่นเราทําอยู่ให้มีลักษณะมีความสงบมีความดีเสมอต้นเสมอปลายต่อนเนื่องกันอยู่ทางด้านจิตใจนั่น เรารักษาจิตใจของเราอยู่ในลักษณะไหนควบคุมจิตใจของเราเมื่อให้มันอยู่ในลักษณะไหนคําว่าลักษณะนี้เป็นลักษณะที่มีความสงบเป็นเครื่องอยู่ลักษณะที่มีสินเป็นเครื่องอยู่ศินคือความเรียบร้อยทางจิตใจจิตใจดีใจเรียบร้อยมันเป็นยังไงก็ดูมันจะว่าฟังไม่จะพูดเฉยเฉยหรืจะฟังเฉยเฉยต้องดูจิตใจของเราด้วยมันเรียบร้อยดีไหม หรมึบุ่นวายหรือมึงหงุดหงิดหรือมึงเร้าหมองหรือมึงขุ่นมัวทานไปนงั้นจะว่าเรียบร้อยอยู่เลยจะว่าสินห้าสินแปดสินสิบ ส, ส, สินสองร้อยยังว่ากันปากเปียพรงจะเป็นหรือคอใจไปกิเลสอยู่นั่นใจไม่เป็นสินให้ลักษณะของศินกับความเรียบร้อยของใหความปกติของใจ ถ้าเราฝึกอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้จะพูดก็ตามไม่พูดก็ตามสิ้นห้าสิ้แปดสิสิบสองรอยิบเจ็ดพูดไม่พูดนันก็เป็นอั่ที่จิตใจเป็นกิเลสความโเหีตฟุ้งซ่าน้ำค้างเศร้าหมองขโมวเป็นภ์ที่จะว่าจนปากเปียกสิ้นหึสิสิบสิสองร้อยี่เจ็ดว่าจนปากเปียกกีดีประโยน์อะไรคอยใจมัเรื่องกิเลส กิเลสบังคับพว่วมหัวอยู่บังคับจิตใจอยู่ไม่ใช่เรื่องของสิ่งของทำสักกันหน่อยเนี่ยภาคปฏิบัติตัวนเอาความเป็นเอาความเกิดขึ้นมีขึ้นในลักษณะความถูกต้องทางหนึงทางธรรมนี่จะมากว่าเราไม่ได้ได้ฆ่าสัตว์จยตื้อรักเิ้งบิงเล่าประดมโจมตีมันจะเพียอะไร เดินไปที่ไหนไปที่ไหนการพูดจาปาษาเราไม่ได้ด่าล่ อ, ลอแม่ใครไม่ไผิดอะไรกระชาัยส่วนหยาบนะแต่เราไม่ยินดีเพียงพอพอใจแต่ปวดเบี้นส่วนหยาบนะั้นเป็นสิ่งที่พอใจแล้วม่ไดหมายอย่างนั้นความสงบของจิตที่เป็นกิเลสส่วนกลางส่วนละเอียดทนะั้งหมดโทษส่วนนี้ยังเป็นโทษอยู่ เราขาดการสังรวมเราขาดการระวังทำจิตใจให้แจ่มใสผ่องใสในความรู้สึกสร้างความสำนึกสิ่งที่ไม่มีทุกข์มีโทษเคอจิตใจดีจิตใจดีความแจ่มใสมีความสงบสูคอยู่ภายในนู่นมันผิดตรงนู่นน่ะมันผิดลักษณะของธรรมประเภทเล เรารักษาความสงบทางสมาธิจิตนู่นมันผิดลักษณะของธรรมสติธรรมปัญญาธรรมมันไม่ถูกมันไม่ถูกลักษณะของสติธรรมปัญญาธรรมสติธรรมเป็นยงไงสติคือความระลึกได้แล้ววิวาใจของเราขณะนี้มันอยู่ในธรรมประเภทไหนธรรมประเภทนี้เพียงพอเราพูกต้องแล้วหรือยังปัญญาธรรมแล้วก็วิ่งรอบรอบรู้นี่ เหตุการณ์ซึ่งมันเกิดอยู่กับความรู้สึกจิตใจของเราเนั่นนะมันเป็ิดตรงนู่นนะดังนั้นการประพฤติทำปฏิบัติธรรมมันต้องดูนอกดูในผ้งฟังธรรมเพื่อเป็นธรรมใข้ควรธรรมเพื่อรู้ธรรมเห็นธรรมเพื่อเข้าใจในธรรมการฟังธรรมให้มันถูกกิเลส ที่ไหนสอนการประพฤติทำ ม, มันถูกกิเลสใครสอนพระพุทธเจ้าองค์ไหนสอนมันก็ไม่ใช่เรามาฟังธรรมเพื่อแก้ไขกิเลสเพื่อมาประพฤติธรรมเพื่อแก้กิเลสเพราะกิเลสเปนเหตุทีเกิดทุกกิเลสทั้งหลายตัณหาทั้งหลายเป็นบอ่อเกิดแห่งกองทุกข์ ฟังทำเพื่อเจกิเลสเหี่มันถูกใจกิเลสที่ไหนสอนแบบนี้ที่ไหนทํากันอย่างนั้นถึงจะหอมผ้าเหลืองอยู่กับเธอถ้าเข้าใจว่าการประพฤติรมอยู่ในจินในธรรมอยู่ในรูปผ้าเหลืองนี่ยังการประพฤติปฏิบัติยังเป็นไปตามเรื่องของกิเลสตันหาทมเหมือนละวาดญาติโยม ก็ทำได้เป็นไปพ้นจากกุหานินทามีเรื่องมีราวเป็นอย่างสนนๆเลยนะปากว่าทำทำอยู่บวชอยู่ว่าเป็นพระเป็นสองฆ์อยู่แต่พฤติกรรมการกระทําบาีทมันไม่มันไม่ถูกมันไม่เป็นทางศีลทางธรรมให้ถ้าเป็นทางศีลทางธรรมจะมีเรื่องอะไรมีปัญหาอะไร จย่ที่พูดให้ฟังลักษณะความเป็นศีลเป็นธรรมตรงไหนล่ะท่านผู้รู้ทั้งหลายจะตีเสียนงในติกิเลท่านจะมาตีเสียนพราะไม่ไพูดเป็นฝ่ายกิเลไม่ได้พูดให้ถูกใจเรื่องกิเลกิเลตีเสียนวันยังค่ำแหละเะ็ น, นการฟังทำปฏิบัติธรรมเพื่อถูกชีวิตความเป็นอยู่เพื่ออยู่ในความถูกความต้อง ถ้ามันถูกในศีลถูกในธรรมถูกในข้อปฏิบัติเพื่อความสงบสุคุณธรรมประเภทนี้บาอาจานสอนละ ว, วานนี้คือความเรียนนี้คือความถูกต้องมันเลึกสร้างความพอใจขึ้นเรียนบทการเดิ น, นองกรมแล้วมาเคอเดินแล้วมันมันอยากจะเดินลนะะเดินเดินอยไปทั้งบ้านก็ได้แต่เดินกิริยเลสความปฏิบัติให้เป็นศีลเป็นธรรมนี่มันอยากจะเดินไม่อยากจะ เ, เ, เดินก็สร้างความพอใจ บ, บังคับให้มันเดิน ไม่อยากจะนั่งสร้างความพอใจบังคับให้มานั่งเพราะกิริยาเรียบทอย่างนี้อย่างนี้มันถูกมันต้องฝืนกันอย่างนั้นมันต้องบังคับกันอย่างนั้นถ้าไม่ฝืนไม่บังคับม่เกิดประโยชน์หรือว่าเราอยางจะทำประโยชน์อะไรสักอย่าง เ, เราขันนอดเพื่อความนั่น ถ้าเราขันในบังคับเข้ามันจะแน่นหรือความแน่นประกันใใช้ตะปูถ้าเราไปบังคับมันลงมันจะลงหรือตะปูใครอยากจะบังคับมันถ้ามันเอาไปวางแล้วมันนั่นเองมันใครจะไปตตีมัมเสียแรงใครจะไปขันเนี่ยมันเสียแรง ตีมันถึงจะหนักขนาดไหนยากขนาดไหนจะเป็นกระโจงตีถ้าไม่ทําอย่างนั้นมันก็ไม่แน่นให้จะวางอันนี้ถ้าไม่ทําอย่างนั้นไม่รักษาความสงบในเยี่อบวการเดินการยืนการนั่งการนอนท่าไม่ทำอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นจะวาง่อเป็นสิน่งเป็นทรามใครจะไม่อยากจะทํามันแต่ความไม่อยากจะทำก็รู้ลักษณะของกิเลสมันไม่อยากทํา เรามาปฏิบัติเพื่อแก้กิเลสความหมายเพระนั้นมันจึงสวนทางกันพวกเราฟังเพื่อศึกษาแนวทางประพฤติแนวทางปฏิบัติสร้างความสำนึกด้านจิตใจของเราให้มันถูกให้มันตรงกับว่าสุ ป, ปฏิปโนเป็นผู้ปฏิบัติดี ดีในศินในธรรมมันจะว่าดีตามกิเลสชอบปุจุปฏจจิปนโนปัจิบัติตรงตรงในลักษณะของศินของสมาธิความสัญญาไม่ใช่ตรงตามกิเลสชอบตรงตามหลักสินหลักธรรมหลักศินก็คือความเรียบร้อยความเบากายเบาใจมันยังไม่เรียบร้อยกายใจยังไม่เรียบร้อย ความรู้สึกของจิตใจยังไม่เรียบร้อยยังไม่เบาสร้างความสำนึกถ้าให้เกิดให้มีขึ้นสมาธิคือความสงบความสงบจิตใจชำระจิตใจจิตใจลำยังเศร้าหมองอยู่เ น, นึกอจิตใจของเรามีความแจ่มใสมีความผ่องใสสบายใจเย็นอกเย็นใจโลง่งอกโล่งใจเียบบรเป็นเต็มอยู่ เราฝึกอย่างนี้มันจริงได้ชื่อว่าฝึกปฏิบัติอย่างนี้จรงได้ชื่อว่าปฏิบัติปฏิบัติตามธรรมส่วนที่เอ็นเป็นกุศลทำความเพียรที่ชอบถ้าไม่เข้าใจแล้วมันจะจะปล่อยให้เจรันดีพาดีเองเลยไปที่ไหนพบไหนชาติไหนก็จิเตมจะบังคับดีผัว ทางกายโยผูกนึงแล้วมันเรือองชีเลตมันจะสร้างความดีให้ใครเมื่อไหร่มันจะเอาเวลามาสร้างความดีให้ใครเมื่อไหรมิแต่เราฝืนมันเท่านั้นแหละเรามาเรียนรู้เรื่องของมันฝืนปฏิบัติศิลปฏิบัติทำให้มันเกิดขึ้นทางจิตทางใจของเราเท่านั้นแหละ